มีใจเป็นคนดูเคล็ดลับของการทํากรรมฐานก็คือจะต้องมีจิตผู้รู้ครูบาอจารย์โบราณท่านเรียกจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันตรงข้ามกับผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตผู้รู้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราฝึกให้ได้จิตเป็นผู้รู้ก่อนพอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราก็เห็นกายมันถูกรู้ มันกายมันถูกรู้กายมันจะไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์มันก็ถูกรู้มันก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลนากุศลทั้งหลายโลภโกรดหลงทั้งหลายถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เห็นตัวผู้รู้เองก็เกิดดบเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด<ส>เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปเพ่ง ส่วนใหญ่จะเผลอก่อนนะเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงไปไม่ใช่ผู้รู้ตรงที่รู้ทันว่าจิตหลงไปก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงมันนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นพอเป็นผู้รู้ได้แป๊บเดียวก็อยากรู้ตลอดมันก็กลายเป็นผู้เพ่งจิตมันไปนเพ่งทือๆอยู่นั้นจิตเรามีสามแบบนักปฏิบัติมันจิตหลงไปจิตรู้ รู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วก็เพ่งเอาไหมเป็นสามแบบในขณะที่ชาวบ้านธรรมดาหมาแมวที่ไม่เคยเจริญสติจิตมีอย่างเดียวคือหลงหลงตั้งแต่เช้ายันค่ำหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงตลอดพอมหัดปฏิบัตินะจิตหลงไปแล้วเรารู้ว่าหล ง, งเกิดจิตรู้ มันมีจิตรู้ขึ้นมาแล้วมันอยากรู้นานๆมันเลยไปเพ่งเอาไว้ไปรักษาตัวจิตผู้รู้ไว้กลายเป็นจิตผู้เพ่งไปไม่ใช่ผู้รู้มีสามแบบพอเราฝึกชำนาญขึ้นนะมันจะมีสองอย่างเป็นจิตผู้หลงไปพอรู้ว่าหลงมันก็รู้ขึ้นมาไม่เพ่งแค่รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันหลงอีกก็รู้อีกหลงอีกรู้อีกกลายเป็นหลงรู้หลงรู้หล ง, ลงรู้ไปเรื่อยๆมีสองแบบนะเหลือสองแบบ องอย่าหัดใหม่ๆมีสามหลงไปรู้แล้วก็เพ่งนะหัดชำนาญแล้วเหลือแต่หลงก็รู้หลงก็รู้ไปเรื่อยๆเพราะชำนาญมากๆนะถึงจุดหนึ่งเหลืออันเดียวคือรู้ไม่หลงเสือรู้แล้วไม่หลงเลยกลับข้างกับตอนหัดทีแรกหัดทีแรกมีแต่หลงไม่มีรู้นะรฝึกได้เต็มที่แล้วมีแต่รู้ไม่มีหลง อย่างถ้าเป็นพระอรหันตนะ์ไม่มีหลงค่อยๆฝึกไปตอนนี้หลงไปเรารู้ว่าหลงได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปควบคุมใจตัวเองใจแข็งๆทื่อๆใจหนักๆขึ้นมาอันนี้เป็นแบบที่สามไปเพ่งไว้ห้ามไม่ได้หรอกเป็นทุกคนแหละหัดใหม่ๆเป็นทุกคนค่อยๆหัดไปเรื่อยๆพอมีทักษะขึ้นไปต่อไปก็เหลือหลงก็รู้หลงก็รู้ไป ง่ายง่ายง่ายไหมดูเพ่าว่ามันง่ายนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อถุยหลวงปู่ถุยท่านอ่านหนังสือหลวงพ่อหรือฟังซีดีอะไรเงี้ยน่าจะอาา่านหนังสือวัดท่านยุคนั้นไม่มีไฟฟ้าอ่านหนังสือ ท่านบอกท่านเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อสอนทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวหลวงพ่อบอกว่ามันง่ายถ้ามันยากนะแต่หลวงพ่อว่าก็ยังยืนยันว่ า, วามันง่ายถ้าเราไม่โลบมากไม่จะต้องบรรลุเมืนั้นเมือ น, นี้นะอีกร้อยชาติค่อยบรรลุมันไม่ยากเลย <c ười> ค่อยๆทำไปสะสมไป <c ười> ถ้าจะเอาเร็วนะีมันจะเครียด ยิ่งเคลียด น, นะยิ่งอยากเร็วยิ่งช้ากรรมฐานนี่แปลกนะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากจะเร็วยิ่งช้าอะไรที่เฉยๆเป็นกลางนะมันมาเองเลยเพราะใจเราเป็นกลางใจเราไม่ได้มีความอยากเนะี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าช้าที่มันช้าเพราะมันไม่ได้อย่างที่อยากอย่างภาวานาเจ็ดนปะีรู้สึกโอ้ช้าเหลือเกินเพราะอยากได้เร็วๆ ถ้าใจเราแค่ว่าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในเป็นกลางพอใจได้ที่แค่ได้แค่รู้นี่แหละไม่รู้สึกช้าเพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะเร็วภาวนาไปเรื่อยๆอาะได้แล้วเหรอเนี่ยจะกลายเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นง่ายอย่างนี้จะรู้สึก ย, ยังไม่รู้สึกยากที่รู้สึกยากรู้สึกช้าเพราะว่าอยากเร็วจริงไหมอยากเร็วๆแล้ ว, ลวช้าจริงไหมทําใจสบายสบาย มันก็ถึงเมื่อมันจะต้องถึงนะเหมือนเราขับรถเราจะขับรถไปบ้านอยู่ที่ไหนนะลืมแนละ้วอยู่แปดริ้วเราจะไปแปดริ้วนี่รถติดเหลือเกนินอยากจะไปเร็วๆกลัวร้านจะปิดเดี๋ยวไปซื้อหนมไม่ทันใจอยากจะไปเร็วๆมันจะรู้สึกช้าเราขับไปเล่นๆถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้น ไม่มีร้านนี้ไม่ไม่เปิดเดี๋ย ว, วก็ไปเคาะประตูเรียกยังไงก็เปิดเนี่ยใจเย็นๆอย่างนี้ยไม่รู้สึกนานอะไรที่เร่าร้อนอยากได้นะ่ะมันจะนานการพอนามการอย่าไปอยากได้มักผลนิพพานอะไรไม่ต้องอยากจเจริญสติไปเรื่อยๆทําไปสบายๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในเป็นกลางเรื่อยๆไปถึงเวลาแล้วมันก็ได้เอง เหมือนผงข้าวนะผงข้าวอยากให้ข้าวสุกเร็วๆเดี๋ยวนี้มันเป็นหม้อไฟฟ้าไปหมดแล้วสมัยหลวงพ่อเนี่ยมันใช้เตาฝืนเตาถ่านอย่าผงข้าวอยากให้ข้าวสุกเร็วๆยัดฝืนเข้าไปเยอะๆเลยเตาแตกไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเตาโบราณมันแตกได้ยาอยาดยาดเอาแตกไปละอดข้าว หุงข้าวก็คือหุงไปใส่ฟืนไปนะใส่ถ่านไปหุงไปถึงเวลาข้ามันก็สุกเองนะก็อยากให้มันสุกเร็วมันไม่สุกหรอกนะดีไม่ดีหม้อข้าวแตกหรือเตาแตกสมัยโน้นเป็นหม้อดินนะหุงข้าวมีหม้อดินทําไม่ดีหม้อแตกไม่ได้กินข้าวลํนะาบากเดี๋ยวนี้มีแต่หม้อไฟฟ้าทําไงถึงไม่ได้กินข้าวรู้ไหมไฟฟ้าดับ เวลาไฟดับเวรหุงข้าวด้วยหม้อก็ไม่เป็นนะเสียปลักได้อย่างเดียวในชีวิตนี้เป็นแม่บ้านทันสมัยทําอะไรไม่เป็นหรอกเสียบปลักกัซื้อกับข้าวเป็นถุงๆมานะนะชีวิตมันเปลี่ยนอะไรที่อยากเร็วยากช้าทําอะไรไปโดยไม่มีความอยากยังไม่รู้สึกว่าช้าหรอกนะหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อลืมคำว่ามักผลเลยตอนเด็กๆ นั่งสมาธิเรียท่านพอ่อหลอยากได้มรรคผลตอนเด็กๆคิดว่านั่งไปเรื่อยๆแล้วจะได้มรรคผลนิพพานมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันดียังไงก็ไม่รู้นะเห็นครูบาอาจารย์พูดแล้วได้ยินท่านพูดเราก็โอ้อยากได้บ้างท่านว่ามันดีนั่งสมาธิก็อยากจะได้มรรคผลนิพพานแต่พอมานั่งจริงๆนะตอนที่ฟังท่านสอนนะอยากได้แต่พอมานนั่งจริงๆลืม รู้สึกว่าหายใจเข้าออพูดหายใจออกโธหายใจเข้าออพูดหายใจออกโธเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำํำลองดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหายใจไปเรื่อยๆจิตรวมเลยจิตรวมสว่างขึ้นมาสมาธิมันเกิดสมาธิเกิดโดยที่เราไม่ได้จงใจถ้าเราจงใจอยากให้เกิดสมาธิจะไม่เกิดนะเห็นไหมเวลาอยากแล้วมันไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ทำสมาธินี่แหละหลวงพ่อพุธท่านบอกว่าสมาธิเริ่มเมื่อหมดความจงใจเราอยากได้เราจงใจอยากให้จิตรวมไม่รวมทำเล่นๆจิตจะรวมหลวงพ่อสนใจแค่ว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทท่านสอนมาเรารู้สึกน่าสนใจหายใจไปหายใจไปนะลมก็ตื้นๆขึ้นทีแรกหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองแล้วท่านพ่อหีสอนมีนับด้วย พอใจเริ่มสงบการนับพ็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอใจสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเฉยๆสว่างเราก็เล่นอยู่กับแสงได้นะกำหนดลงไปให้ให้ใหญ่ให้เล็กไม่นคลายๆอย่างเราหายใจอย่างนี้ หายใจเข้าเรารู้สึกตัวใหญ่เนะหายใจออกตัวเล็กแต่นี่เป็นเรื่องที่จิตจิตยิงขยับให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้เหมือนการหายใจเลยนะสนุกเล่นตรง น, นี้นะจิตมีมิตกอูตก่ตรึกอยู่กับแสงมีวิจารณ์เขาเคลียร์เล่นอยู่กับแสงมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตมีสมาธิขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องยากถอยออกมาอยู่ที่แสงเนะี่ย ตอนี้เล่นเริ่มสนแะอยู่ที่แสงนะี้มันอยากเห็นเทวดาจิตมันตามแส ง, แส ง, งเอาวแสงมันพิ่งออกไปแสงมันพุ่งออกไปนะจิตพุ่งตามแสงออกไปเลยไปอยากไปที่ไหนตามแสงไปดูเนี่ยเราไปเรื่อยๆนะเล่นอยู่ช่วงหนึ่งไม่เห็นมีอะไรเ่ยไปดูเทวดาก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เทวดาเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช้ดินนะ ทำมาก่อนพวกเรามณ น, นเนี้เพิ่งหัดปลูกต้นไม้ไม่ใช้ดิน <c oughs> หัดไป เ, เ, เรื่อยๆตอมารู้ว่าไปเที่ยวข้างนอกไม่ดีกลัวผีเจี่วเทวดาไม่กลัวถ้าเจอผีกลัวงั้นพยายามไม่ให้ออกนอกหายใจไปพอใจไม่จะเคลื่อนออกนะเรารู้ทันเนี่ยเราเคยเคลื่อนจนชำนาญมันมนเคลื่อนเคลื่อนอย่างนี้น พอมันจะเคลื่อนนะเหายใจให้แรงขึ้นหายใจให้แรงขึ้นจิตมืนกกลับมาไม่ไหลออกไปจิตเริตั้งมัน่นะดูไปเรื่อยๆแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยนะเคยได้ยินเรื่องพิจารณากายเราพิจาัณ์กายแล้วระเบิดไปเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายหลังจากนั้นจิตมันแยกตลอดขันมันแยก กายส่วนกายจิตส่วนจิตไม่เคยรวมกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่สิบเอ็ดขวบนั้นมั้งจำไม่ได้ขันมันแยกจิตเป็นผู้รู้มีหลงไม่มีแต่หลงไม่นานหลงหลงไปแล้วเดี๋ยวก็รู้รู้ตัวขึ้นมาอุยเหลอไปแล้วตัวผู้รู้หายรักษาหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ คำว่าผู้รู้เลยเป็นฉายาหลวงพ่อนะูลปูสิมเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จิตอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยถ้าจะสอนถ้าไม่รู้ชื่อเรียกผู้รู้พวกเราก็เป็นได้นะผู้รู้เรียนกับหลวงพ่อแล้วอย่าเป็นแต่ผู้หลงอาจเป็นผู้รู้บ้างรู้อะไรรู้ตัวนะไม่ใช่รู้หวยนะคนชอบมาถามขอหวยเมื่อกี่วันนี้ก็มี ไปข้างนอกนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาไปเข้าห้องน้ําที่ปั๊มอะ่ะแล้วพบแม่บ้านที่ถูห้องอ่ะนะเห็นน้าว่ายอะ่ะว่ายสวยนับน้อมแล้วก็เข้าห้องน้ําำพอออกมาหลวงพ่อเห็นเลขไหมบอกโอยหลวงพ่อไม่เห็นหรอกถ้าเห็นนะ้าหลวงพ่อจะไปซื้อเองเลย <c oughs> ก็บอกว่าถ้าหวยแตกเสียเวลาว่ายผู้รู้อะไรรู้ตัวเองเนื่ย์พอรู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเองเราจะเห็นอะไรเห็นกิเลสกิเลสเนี่ยเยอะแยะนับให้ถูกนับไม่ท้วนเลยเต็มไปหมดเลยทุกคราวที่คิดก็มีกิเลสทุกคำที่พูดก็มีกิเลสทุกการกระทำก็มีกิเลสแฝงอยู่เต็มไปหมดเลย เนี่ยเราค่อยรู้ทันกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจเรานี่แหละรู้ทันไปเรื่อยๆเราไปกิเลสครอบงาใจไม่ได้ใจเราก็สบายค่อยๆลดละกิเลสไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปไม่ยากเห็นไหมหลวงทายไม่ยากนี่คือจิตใต้สํานึกของหลวงพ่อรู้สึกไม่เห็นยากอะไรเลยอย่ายากอะไรนักหนาแล้วก็เชื่อที่หลวงปู่ดูลบอก หลวงป่ดูลย์บอกหลวงพ่อคําแรกนะที่พูดกันคําแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองคําว่าอ่านอย่างอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือเป็นยังไงอ่านไปอย่างนั้นไม่ใช่ให้ไปแต่งหนังสือ อ, อ่านจิตตนเองก็คือจิตลเลมเป็นยังไงก็รู้มันไปจิตดีจิตร้ายจิตสุขจิตทุกครู้มันอย่างที่มันเป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอ่าน การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาจะ ใ, ให้ปฏิบัตินั้นจะบนไว้ยากผู้ปฏิบัติไม่รู้สึกยากเลยเพราะการปฏิบัติไม่มีอะไรมันเป็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือยากนักหลืออ่านหนังสือไม่ออกก็ยา ก, กยนะเนาะถ้าอ่านหนังสือออกมันก็ไม่ยากหรอกอ่านไปเรื่อยๆหนังสือเล่ม น, นี้หนังสือัวใจหนังสือคือใจเราเนี่ มีเป็นนิยายนะเป็นหนังสือนิยายนะหนังสือนิยายไม่ใช่หนังสือวิชาการหนังสือทางการแพทย์อะไรนี้อ่านแล้เครียดไม่มีอ่านใจตัวเองนะเหมือนอ่านหนังสือนิยายมีบทรักไหมมีบทโกรธไหมมีอิจฉาไหมนางอิจฉาก็มีนะนางอิจฉาไม่ใช่ใครเราเองแหะมีนางเอกไหมมีพระเอกไหมพระเอกที่ไรเราทุกทีเลยนะ คนอื่นนี่ผู้ร้ายหมดเลยเรานี้พระเอกลูกเดี่ยวหรือเรานางเอกคนอื่นเป็นนางอิจฉาเนะนี่ยเรดอ่านไปนะมีพระเอกมีนางเอกมีนางอิจฉานะดูมันเดี๋ยวมันก็หัวเราะมีเรื่องให้ขำเดี๋ยวมันก็มีเรื่องร้องไห้อ่านนิยใยอ่านที่ใยในใจของเราเนี่ยมันแสดงนิยใหให้ดูนะอ่านนิยใหยากไหม ม่นจะยากเลยอ่านหนังสือวิชาการจะยากเพาะั้อย่างจะเป็นเรื่องกรรมสาพพพลังสีอะไรมันต้องด็อกเตอร์ไปอ่านเราห้อ่านปวดหัวตายเลยอ่านไม่รู้เรื่องอ่านจิตอ่านใจมันก็ดูนิยายเป็นนิยายที่สนุกมากด้วยจิตเราเนี่ยแต่งนิยายไม่แพ้ทมมยันตีเลยธมมยันตีเก่งมากนะแต่งนิยายสนุก กระชับรวดเร็วเนี่ยหมอหมอแบคนสมัยหลวงพ่อนะไม่ใช่สมัยเรานะสมัยเราเดี๋ยวนี้อ่านนิยายของใครใครอ่านบ้างลอมแพง <c oughs> รู้อยู่ชื่อเดียวแหละเ <c oughs> นี่ยอ่านนิยายอย่างเงี้ยมันจะเคลียดเลยนักหนาไสนุกนอิจฉากันตีกันทะเลาะกันดีกันนะ เหมือนดูหมากัดกันนะทีเหมือนหมากัดกันเดี๋ยวก็เลียกันเดี๋ยวก็กัดกันสนุกวันนี้กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอ่านนิยายในใจของเราไปเรื่อยๆอย่าไปแต่งนิยายนะให้อ่านหมายถึงว่าใจเราเป็นไงรู้ไปอย่างนั้นถ้าแต่งนิยายกนะ็อย่าพยายามตอนนี้เราเล่นบทนักปฏิบัติหายใจเข้าหายใจออก อย่างนี้เหนื่อยใจชักนะอย่างนี้ไม่ใช่นิยายแล้วนะอย่างนี้มันวุ่นวายมากเกินไปนอ่านนิยายใจเราเป็นไงรู้ไปเรื่อยๆมันแสดงให้เราดูเองทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าชีวิตนี้มันก็แค่นิยายเท่านั้นแหละมันหลอกๆมันไม่มีอะไรจริงอะไรจังไม่มีของจริงจังอะไรหรอกชีวิตเราก็เหมือนนิยายเรื่องหนึ่งท่านั้นเอง ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกรงทั้ง ต, า, งตายไปอะไรก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งก็ อ, งอยู่แค่นั้นแหละไปหาเนาไม่ยากเห็นไหมไม่ยากขอยืนยันหรือหมอว่ายากว่ายากออกไปนอกห้องเลยถือว่าเป็นลูกศิษย์ทรยศ เ, เตรียมตัวทอดกตินกันเดี๋ยวพวกเราร่วมกันอารัธนาสีมพร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสระเนนสหาปัญจสิลานิยาจามะตุติยังปิมยังพันเต วิสุงวิสุงรักขทนธะยติสรณเนนสหะพันจัสสิลานิยาจามะตัตยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธะยาติสรณเนนสหะพัญจัสสิลานิยาจามะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 นัโมตัสสะพระวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคชามพุทธังสรนังคชามีธัมมังสรนังคาชามีธัมมังสรนังคชามสังขังสรนังคาชามสังขังสรนังคาชามทุติยัมปีพุทธังสรนังคชามี ทุติยัมปีธรมมังสรนังคชามทุติยัมปีธรมมังสรนังคชามทุติยัมปีสังขังสรนังคชามทุติยัมปีสังขังสรนังคชามตติยัมปีพุทธังสรนังคชามตติยัมปีพุทธังสรนังคชาม ตติยปมปีธรรมมังสารานังคาชามีต ต, ต, ติยมปีธรมมังสารังคาชามีตติยมปีสังังสรนังคชามตติยมปีสังขังสารณังคามติสระ น, ะ น, นัมังนิติตังปานานะติปาตาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิามิ อจินาทานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิ โมสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมซาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชาปมาดาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมปมาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อีมานิปัญจาสิขาปธานีสีเรณสุกติงยันตีสีเรณโภคสัมปทาสีเรณนนิโพติงยันตีตาสมาสีลังวิโสทายาตุต่อไปจะให้ตัวแทนของพวกเรานะครับกล่าวทำถวายพาตระถินครับ ขอเชิญทุกท่านหันหน้ามาทางพระประธานนะคะตั้งจิตถวายผ้ากรถิ่นพร้อมกันโดยกล่าวนะโมพร้อมกัน3มจดแล้วจากนั้นจะเป็นการกล่าวกรถิ่นนานะคะขอเชิญค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะอิมังพันเตสัปปะริวารังกะทินะจิวะระทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโฆ อิมังสปะริวารังกัทิณทุสังปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจัอิมินาทุเสนะกัทินังอัฏระรตุอัมหากังทีขารตัง หิตายะสุขหายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินจีวอนกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับ ผ้ากถินและของบริวารเหล่านี้นนน เ, นเมื่อรับแล้วโปรดกรานกถินด้วยผ้านี้นนนเพื่อประโยชน์และความสุ ข, แ, สขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเทิญ อิดานิโกพันเติมังสับริวารังกตินาดุสังสังกัสสกตินาทาราระหกเรวาอุปนัง อิดิเซจการะวังอุปเนนาดุเซนักตินาทารวะสร้างุทธานังพิกุนังปะกวาตาอนุญญาโตเยนาอากังขมานัสสะสร้างกสปัญจกับปิสันตีอนามันตาจารวะสมารดาณาจารุคณะโภชนังยาวาดัตตาจิวรังโยจตัตตาจีวรูปาโดโซเนสรงพวิสตีจัตุสุปีเหมันติเกสุมาเซจุจีวรากาโรมหันติกัตโตภวิสตี อิดานิปานาสังโฆอาคังคตินุโคกตินัทธารังอ ah ุดาหูนากังคติขังขามะอันเตโซโคปะณันเตกตินัทธโรภะคะตาปุคละสะอัทธารวะเสเนวะอนุญญโต นันยตราปุขละสะอัธาราอัตตังหโธตีกทินันทีหิบุตังภคกวตาณสร้างโควาคโนวากถินังอัตตระตสร้างคาสะจักณสะจัสมาคียาปุคละเสวอัทธาราสร้างคสปีคณสปีตเสวปุคละสปีอัตตังหโตีกถินัง อิ wa, wa, wa a n a awa, an i k ก s ิ m า n g k a t i n a ส u s a n g d า s a า a k ิน i n a ทร atharitung yocina c ว b a r o w a dupala cibarowa ywa pada usahin sati acewa c i b a r a g a m a ว g nitha petawa s a p a า i t h a า a n g apriha petawa katinang a t h า r i t u n g samato pavisatid itha amhesu ayasama kitiyano s a b วิน a ธโร สัพพมจารีนางสันดาสชโกสมาดาปะโกสมุเตชโกสัมปหังสโกบะหุนางอาจาริโยหุตวะโอวาทโกอนุสาสโกสมัโตจตังตังวิเนยกรรมังอวิโกเปตวะกัทินังอัตถาริตุงมัญญามหาเมวังสับโบยังสังโคอิมังสับปริวารังกัินาจุสังอายสัมาโตกิติยานัสสัตตุกาม ตสมงกติังอัถรันเตสับโยังสังโขสมเดวอนุโมติสติอายสัมโตกิยานเวะอิมังสัปริวารังกตินาดุสังดาตุงรูจติวานวสบสิมาสังคาซารูจติยดิอายสัมโตกิยานาอิมังสัปปะริวารังกตินาดุสังดาตุง สัพพสีมัสสะสั่งขสารุจตีสัตถุพันเตสังโคอิมังกอินาดุสสะปริวาระผูตังติจีวรังวัสสวสีกอทิติกายะอาชาเหตวะอายสมโตกิติยานาเสวาอิมินาอาบาลกเนนาดัตาตูกอินาดุสังปนาอาบาลกเนนาดิยามานันปีนารูหตี อสมาตัางอิดานิยติรูติเยนากัมเมนาอกุเปนาธานาระเหนาอายาสมาโตกิติยานาสะเดมาติกา ม, มาสันนิธานางการโอตูเราที่กรดน้ำเลยอย่าส่งจิตออกนอกอืม บุญเล็กบุญน้อยเนละเก็บให้หมดแล้วนะมีเวลานิดนหน่อยๆน่อยภนะานาไปได้บุญเยอะยันเดียวเลย <c oughs> ยะทาวาริวหปุราปริปุรติสาขลางังเอวาเมวาอิโตทินงังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปาิตังตุมห um ังกิปเมวะสมิจตัวสพเพปุเรตุสังกะปาจันโทปนารโสยทามณิโชติระโสยยธาสพิธิโยวิวัชัน so ตุ สัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทิฆายุโภภวอาภิวาธานาสิริสันิจังมุทภาพะจายิโนจตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังอาลัง no การเเรทธาทันติสปัญญาวทันยุวิตามัจชระการเเนาตินังอาริยสุโอชุพเตสุตัดิสุวิปัสสนามันนาทัสสาวิปุลาภูติตกขิณาเยทัถานุโมทันติเวียวาจังการุติวา นาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญสัทาคิโนตาสมมาทเทอปติวานจิตโตญาติธาตินังมหพลังอุญญาณิปัลลาโลกะสมิงตาติธาโอนติปานินันติคัคโตเวปสันนานังหักขังธรรมังวิชานตัง อาเคพุทธะปัสสนานังขะกีเนย์อะนุตตะเรอาเคทัมเมปัสสนานังวีราภูปัสเมสุเกอาเคสังเคปัสสนานังปุญญาเคเตอะนุตตะเรอาคาสมิงทานังดาตตังอาคังปุญงภาวัตติ อาคังอายุจาวันโนจายโสติสุขังพลังอาคัสสาธาเมธาวีอาคะธรรมะสมาหิโตเทวาภูโตมโนโสวาอาคปัตโตปโมุดันติติรัตนาตายานุภาเวนาราตนาตยาเตชะสา ภูคารุคาพยาเวราโสกัสัตตุจุปตะวาอาเนกาอันธารายาปิวินาศุตวะเสสะโตชายาสิทธิทนังละังโสธิภาคยังสุขังภลังสิริอายุจะวันโนจัปโขขังวุติเจยะสาวาสัตตวาซาจะอายุจะชีิวสิทธิภาวันตุเต อาวะตูสะพมังคะลังรักขันตุสะพเทวตาสะพะพุทธานุภาเวนัสดาโสทิพวัรตุเตภาวตุสะพมังคะลังรักขันตุสะพเทวตาสะพะธรรมานุภาเวนาสดาโสทิพวรรณตุเต อาวาตุสาพมังคะลังรักขันตุสาพระเทวตาสาพาสังคานุภาเวนาสาดาโสติอาวันตุเตหลวงพ่ อ, อนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะการทำบุญร่วมกันประจำปีที่วัดนี้ มีปีละครั้งเท่านะั้นปกติไม่มีพิธีอะไรเลยเสร็จแล้วเชิญกลับบ้าน <laughs>